ให้พระนครทั้งสามคืออโยธยากัมปินละและชตราวดีมีสัมพันธไมตรีต่อกันเสมอหนึ่งเมืองญาติอันสนิทจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเท่าที่จะสามารถทำได้เมื่อเมืองใดมีทุกข์ร้อนอีกสองเมืองก็จะเข้าช่วยเหลือกลับได้ตกลงกันในข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งคือแม้พระธรรมสนาบดีจะสิ้นแล้วแต่ก็ไม่ท้อถอยหรือละเลิก ในการส่งเสริมธรรมเสนากองททพบรมให้แผ่ไปในจิตใจของประชาชนชาวพระนครและชนบททั้งหลายจะมีการขอพระธีระผู้มีความรู้มีความสามารถให้สับเปลี่ยนเดินทางไปมาในอาณาจักรโกศลและปัญจาละรวมทั้งจะขอร้องให้พระภิกษุสงฆ์ได้ช่วยอบรมภิกษุให้มีความรู้ในการแนะนาสั่งสอนเพิ่มเติมขึ้นด้วย พระราชาแห่งชตราวดีและกัมปิละได้เสด็จกลับเข้าสู่พระนครของพระองค์ด้วยความชื่นบานพระราชรุไัยในทยาสายไมยตรีของกษัตริย์และมหาชนชาวอโยธยาด้วยประการชนีครั้งนั้นมีคนเดินทางไกลกลุ่มหนึ่งมาสู่อโยธยาถามหาธนิยะ ทราบว่าพมนักอยู่ในบริเวณพระชมุนเทียนแล้วจึงเข้าไปหาราชบุรุษผู้รักษาประตูบริเวณพระชมุนเทียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าเฝ้าทนิยะพระราชบิดาพร้อมทั้งได้บอกนามบอกสกุลวงศ์ของตนเพื่อเป็นที่สังเกตทนิยะได้สดับเรื่องราวจากราชบุรุษก็ตรัสสั่งให้นําบุคคลเหล่านั้นเข้าไปณสันถาคารโรงโถงเมื่อบุคคลเหล่านั้น เข้ามาภายในโรงโถงพร้อมกันและถวายบังคมแล้วชาชราผู้เป็นหัวหน้าก็าเข้าไปจ้องพิจารณาดูทนิยะและก็คลานเข้าไปกอดพระบาทร้องไห้เล่าความว่าตนคือมหาอมาตย์แห่งกรุ่มมัทุลาตั้งแต่สมัยที่ธนิยะยังเป็นราชกุมารไปศึกษาศิลปศาสตร์นตั ก, กษิลานครตนเป็นผู้ที่พระราชบิดาของทนยะใช้ไปติดต่อถวายความสะดวกตลอดจน เป็นผู้ไปตามเมื่อพระบิดาประชวนให้กลับมารับมอบราชสมบัติณกรุง ม, มัทุลามหาอมาตย์ผู้เจริญทานิยากล่าวขึ้นกับผู้ที่เคยติดต่อมาตั้งแต่สมัยเป็นราชกุมารเป็นเวลาอันนานยิ่งที่ข้าพระเจ้าจากกรุง ม, มัทุลาไปภายหลัง ที่ได้มอบราชสมบัติให้แก่สัจพน้องชายต่างบรรดาแล้วข้าพเจ้ารู้แต่เพียงว่าสัจพลไม่สามารถรักษาราชสมบัติไว้ได้และต่อมาก็ได้ทราบอีกว่าสมเด็จพระบรมศาสดาก็เคยเสด็จไปยังกรุงมัทธุลาในขณะที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวายไม่มีใครสนใจทำนุบบำรุงให้ดีขึ้นถึงกับพระองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรุง ม, มัทุรามีทวดห้าอย่างคือ 1. พื้นที่ไม่สม่ำเสมอลุ่มลุ่ ม, มดอนดอนอมีฝุ่นมาก 3. ม, มีสุนัขดุ 4. มีคนเผาดุร้ายอาศัยอยู่และหสแสวงหาอาหารได้ยากบัตรนี้ท่านทั้งหลายมาแต่กรุงมัทุราก็ดีแล้วข้าพเจ้าใครจะฟังเรื่องของกรุงมัทุราภายหลังที่สละราชสมบัติ และใคร้จะทราบความประสงค์ในการมาณที่นี้ของท่านทั้งหลายนอกจากนั้นยังสงสัยอยู่มากว่าท่านทั้งหลายรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามาอยู่ณอยุธยานี้พระเจ้าข่าพระเจ้าสัจพพลพระอนุชาเมื่อครองราชสมบัติก็ปรากฏว่าทรงตั้งพราชรัฐไทยในการบำรุง บ, บ้านเมืองและมหาชนให้เป็นสุขแต่ความตั้งใจดีอย่างเดียวหาเพียงพอไม่ เพราะจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมอื่นอีกและที่สําคัญที่สุดก็คือวิจารณญาณพระเจ้าค่ามีอํามาศผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมบางคนพยายามยุยงใส่ความผู้นั้นผู้นี้จนวุ่นวายไปหมดอํามาศราชบริพานผู้ไม่ได้เป็นพวกของผู้ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้นพากันหวาดวิตกเพราะไม่ทราบว่าเมื่อไร่เรื่องร้ายๆต่างๆอะไรบ้างจะมาสู่ตนโดยไม่รู้ตัวต่างก็แยกกันเป็นพวกเป็นเหล่า ไม่มีใจใจที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อนํามาซึ่งความสุขแก่มหาชนแต่พระเจ้าสัจพลไม่ทราบเรื่องเหล่านี้เพราะผู้ใกล้ชิดได้พยายามให้พบให้เห็นแต่สิ่งที่ดีงามกับคราวร้ายให้เป็นข่าวธรรมดาบางครั้งก็ส่งสั่งลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิดด้วยไม่สงทราบความเป็นจริงต่อมามัทธุลาก็เกิดความปั่นป่วนมีโจรคณะใหญ่ อยู่หลายทิศทางคุกคามคนเดินทางและพ่อค้าต่างเมืองจนมีคนเข็ดขยาดไม่อยากไปมาติดต่อมหาชนก็พากันเข้าด้วยพวกโจรเป็นอันมากเป็นที่น่าเสียดายว่าบางครั้งคนดีได้กลายเป็นโจรเพราะความจาเป็นหรือเพราะต้องการรักษาตัวรอดจากภัยอันเกิดจากการใส่ร้ายข่มเหงอํามาศและมหาอํามาศบางคนกลายเป็นหัวหน้าโจรไปก็มี เมื่อเหตุการณ์เป็นไปอย่างนี้กับลังทหารและราชบุรุษของพระราชาก็ไม่สามารถระงับปราบปรามความวุ่นวายได้ข่าวความเจราจนวุ่นวายนี้ทราบไปถึงพระเจ้าจัทัพรรชิแห่งกรุงอุเชนีแควนอวันตีพระองค์จึงส่งกองทัพเข้ามายึดมัทธุราได้โดยง่าย โดยไม่ต้องเสด็จมาเองด้วยซ้ําพระเจ้าข่าพระองค์ย่อมทราบดีแล้วว่ากรุงอุเชนีคว้นอวันตีนั้นตั้งอยู่ใต้ลงไปจากมัทุรามากและต้องเดินทางยากลําบากเพียงไรในการยกกองทัพมายึดกรุงมัทุราแต่ในที่สุดก็ยึดได้เพราะมัุราแตกแยกกันจนไม่สามารถป้องกันภัยจากผู้ลุกรลานได้อันหนึ่งพระองค์ย่อมทรงทราบดีแล้วว่า พระเจ้าจันทประโชดนั้นไม่ใช่ผู้สันโดษด้วยรัชสมบัติเมื่อมีข่าวว่าเมืองไหนรุ่งเรืองพอจะไปตีไปยึดได้ก็จะยกกองทัพไปหรือใช้อุบายทันทีโกสำพีแห่งแคว้นวังสะซึ่งพระเจ้าอุเทนทรงปกครองนั้นครั้งหนึ่งพระเจ้าจันทประโชดก็เคยใช้อุบายจับพระเจ้าอุเทนได้และคิดจะรวบรวมไว้ในเขตปกครองของพระองค์แต่เพราะเหตุที่พระเจ้าอุเทนได้นาง วาสุลัทัตาพระธิดาพระเจ้าจันทประโ ช, ช์เป็นมเหสีเรื่องร้ายที่มีทีท่าว่าจะลุกลามนั้นก็ลดน้อยลงไปพระเจ้าข่าพวกข้าพระองค์นั้นทั้งหลายต้องปลีกตัวออกจากพระเจ้าสัจพลตั้งแต่ยังไม่ได้เสียกรุง ม, มัธรา แก่กองแทพอูเชนีทั้งนี้เพราะถ้าไม่ทำดังนั้นก็อาจถูกเบียดเบียนถึงแก่ชีวิตได้เมื่อปลีกออกจากราชสำนักแล้วก็ต้องคุมกันไปเป็นคณะคล้ายโจรเข้าป่าบ้างเข้าเฉดบ้านบ้างสุดแต่จะเหมาะสมในเขตใดพระเจ้าค่าที่สมเด็จพระบรมศา ส, าสดาตรัสว่ากรุง ม, มัทุรามีโทษถึง5ประการ น, นั้นอย่างนับว่าน้อยไปเสียดยซ้าเพราะในสมัยที่บ้านเมืองเกิดจลาจน ไม่มีระเบียบความเห็นเจตัวความดุร้ายความสุกระโกรุงรังก็มีเกิดขึ้นทั่วไปพระเจ้าข่าข่าวที่พระเจ้าสุรเสนะได้ครองกรุงอโยธยาพแพร่ไปถึงแคว้นสุรเสนะเพราะมีข้อสําคัญคือได้มีการแสดงว่าพระเจ้าสุรเสนะเป็นโอรสของพระองค์ผู้สละราชสมบัติกรุงมัทธรามีการแสดงเครื่องขติยะราชูปโภคเพื่อให้เป็นหลักฐานด้วย ข่าวนี้ก็เสมือนหนึ่งน้ำทิพย์ชโลมใจของข้าพระองค์ให้สดชื่นด้วยมั่นใจว่ายัางมีที่พึ่งอยู่ในโลกชาวมัทธุราทั้งหลายยังคอยการเสด็จไปของพระองค์และยังเชื่อว่ามัทธุราจะกลับกลายเป็นราชธานีอันรุ่งเรืองขึ้นอีกวาระหนึ่งต่างจึงมาสมัครเป็นผู้อยู่ในสังกัดของข้าพระองค์มากขึ้นจนกระทั่งมหาอมาตย์ของพระเจ้าจันทประโชธ ผู้มาปกครองกรุงมัทุราเองก็ไม่สามารถจะปราบปรามพวกข้าพระองค์ได้พระเจ้าข้าทันทีที่มีข่าวว่าพระเจ้าจันทัพโชตแห่งกรุงอุเชนีสวรรคตพวกข้าพระองค์ทั้งหลายก็ยกกำลังเข้ายึดและจับมหาอมาัมมัดแห่งกรุงอุเชนีสำเร็จโทษเสียจัด ก, การบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วรีบเดินทางมาอัญเชิญพระองค์ หรือพระเจ้าสุรเสนกลับไปครองราชกู้บ้านเมืองให้กลับสู่ความเจริญอีกครั้งหนึ่งข้อที่ทรงอ้างพระพุทธภาสิทธแสดงโทษของกรุงมัทธุราห้าประการนั้นย่อมเป็นเหตุสำคัญยิ่งที่จะต้องเรียบเสด็จไปปรบปรุงแจ้ไข มัธุราให้ดีขึ้นเพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าคนที่อยากได้เครด่อทั้งหลายนั้นมักไม่มีแจใจสร้างความรุ่งเรืองให้เพราะพอใจแต่จะสร้างความรื่นรมให้แก่ตนเองเป็นสำคัญแต่คนที่ไม่ค่อยตกเป็นทาสของความโลภเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำการสิ่งใดก็มักทำสิ่งนั้นได้ดีเพราะไม่เสียเวลาในการคิดคดงอต่างๆอยุธยาที่จะกลายเป็นเมืองร้างอยู่แล้ว กลับเป็นมหานครอันมีกิติศัพท์กำจรกำจายไปทั่วทุกทิศทั้งในการจัดการบ้านเมืองให้เจริญขึ้นดังเทพนครทั้งในการป้องกันตนเองจากค่าศึกซึ่งยกทัพมาครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งนี้ยำแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์และพระราชอุรสชาวกรุมัทุราจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้อัญเชิญเสด็จไปสร้างความเจริญแก่ชาติภูมิของพระองค์บ้าง ต่างตั้งตาคอยรับเสด็จอยู่โดยทั่วกันพระเจ้าข่าข้าพระองค์มีอายุมากแล้วได้ผ่านเหตุการณ์ในชีวิตมามากพอใจความต้องการแล้วคิดว่าเมื่อได้ทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของตนสาเร็จก็เป็นที่เต็มความปรารถนาแล้วนั่นคือการอัญเชิญพระองค์หรือพระราชโอรสเสด็จไปครองกรุงมัธุราไปช่วยมหาชนที่มีเลือดมีเนื้อเชื้อไขเดียวกันให้พ้น จากความทุกยากมหาอมาตยผู้เจริญครับพเจ้าขอขอบใจท่านทั้งหลายที่มีความปรารถนาดีและไว้วางใจในครัพเจ้ากับลูกสุรเสนะเมื่อท่านมาอ้างถึงความลำบากยากเขียนของมหาชนอ้างความปั่ญพวนไม่มีระเบียบในกรุงมธุราและปรารถนาจะให้ไปช่วยแก้ไขความทุกยากเหล่านั้นครัพเจ้าก็จะรับฟังไว้และจะได้ปรึกษา กับลูกสุรเสนาดูก่อนาราพเจ้าจะสั่งให้จัดที่พักในที่ใกล้าราชมนเทีร์และให้พาชมอยุธยากรเมื่อตกลงใจประการอยแล้วก็จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปทนิยตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงทักทายไต่ถามผู้ร่วมมาในคณะนั้นโดยทั่วกันแล้วสั่งให้ราชบุรุษไปจัดที่พักให้นอกพราชมนเทีร์ให้อำนวยความสะดวกทั้งปวงให้เป็นอันดี พระเจ้าสุรเสนะทรงทราบเรื่องพิสดารจากทนิยะแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาลูกไม่เคยลืมตัวหรือลำพองจิตเลยที่ได้มาครองราดในอยุทยามาหานครนี้ยังเลือกอยู่เสมอถึงการเดินทางอย่างคนค้าตลอดจนความเป็นอยู่ง่ายๆในระหว่างทางพระบิดาได้สั่งสอนให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงมิใช่การวิ่งวุ่นสนองความอยาก แต่เป็นการคลายหรือบรรเทาความบั่งใหญ่ไฟสูงทำจิตให้ว่างจากความรู้สึกหิวกระหายในความเป็นใหญ่และอำนาจซึ่งในข้อนี้ลูกก็ได้ปฏิบัติตามพระโอาวาทและได้รับความผาสุกันแท้ จ, จริงตลอดมาลูกเคยชิดที่จะมอบอยุทยาให้แก่ผู้ที่สมควรหรือแจกณะอามาตย์ให้บุคคลเหล่านั้นร่วมกันปกครองโดยสามัคคีธรรมคล้ายกับลิชวีสภา และจะชวนพระบิดาออกเดินทางไปหาความสุขสงบตามลําพังโดยไม่ต้องวุ่นวายกับคนจำนวนมากเราก็จะกลับเป็นคนสามัญที่มีอิสระแจ่ตัวไม่มีภาระในการแบกหามบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้บัดนี้กลับมีข่าวมาจากแคว้นสุรเสนะอีกว่ามหาชนต้องการให้พระบิดาหรือลูกไปช่วยปกครองกรุงมัธุรา ช่วยแจ้ความทุกข์ยากลําบากอันกําลังเกิดอยู่ทั่วไปลูกก็ยิ่งลังเลนหนักขึ้นว่าจะทําอย่างไรดีแต่ความตั้งใจอันสําคัญอยู่ข้อหนึ่งซึ่งลูกได้มีอยู่นานแล้วก็คือลูกจะขอเป็นลูกที่ใกล้ชิดอยู่กับพระบิดาต่อไปไม่ว่าในฐานะผู้ปกครองประเทศหรือในฐานะคนค้าผู้เร่ร่อนไปในที่นั้นๆัน่าแต่พระบิดา เรื่องที่ทรงสั่งให้สอบสวนจากข่าวภายนอกที่ส่งคนไปสืบ อ, อยู่โดยทั่วไปในชนบทรัชธานีน้อยใหญ่ว่าตามที่มีผู้ติดต่อแจ้งเรื่องกรุงมัธุราจะมีความจริงเพียงไรแม้เป็นอำมาตย์ที่เคยรู้จักก็ไม่พึงเชื่อโดยประการทั้งปวงโดยไม่สอบสวนสดับตรับฟังจากทางอื่นบ้างอันเป็นข้อที่ทรงเตือนให้หัดเป็นคนรอบคอบนั้นความจริง ลูกได้ทราบเรื่องของกรุงมัทุรามาหลายวันแล้วว่าคณะอัมมาตได้ยกกำลังเข้ามาจาับมหาอัมมาตแห่งกรมอุเชนีข่าเสียแล้วช่วยกันจัดการบ้านเมืองแต่ยังไม่ได้ข่าวเรื่องที่มีผู้คิดจะเชิญพระบิดาหรือลูกให้ไปครองราชสมบัติในกรุงมัทุราจึงเป็นอันพอเชื่อได้ว่าเรื่องนี้มีความจริงแต่การจะไปรับในลักษณะใดนั้นลูก ขอถวายให้พระบิดาเป็นผู้พิจารณาและชี้ขาดถ้าทรงเห็นสมควรไปช่วยเหลือแก้ทุกข์ยากลําบากกิ่งลูกพร้อมที่จะสละอยุธยาติดตามไปสู่กรุงมัธุราด้วยเพื่อช่วยพระบิดาแก้ความทุกข์ความเดือดร้อนของมหาชนและตามความเห็นของลูกพระบิดาควรรับราชสมบัตินั่นเองลูกจะทําหน้าที่เป็นอุปราชรับพระราชภาระสนองพระคุณสืบไป สุรเสนาเออยพ่อขอบใจเจ้าที่จงรักและพักดีต่อพ่อจะยอมทุกอย่างแม้เพื่อสระราชสมบัติติดตามไปรับใช้พ่อในที่นั้ น, น, นพ่อดีใจมากที่เจ้าได้ตกลงใจหรือมีความคิดนึกในทั้งไม่หลงติดอยู่ในความเป็นใหญ่และอำนาจใครก็ตามถ้าคิดอย่างเจ้าคิดได้ก็จะมีความสุขเป็นผู้พร้อมที่จะหลีกทางให้ผู้อื่นเพื่อหาความสงบ แต่ทั้งๆ ท, ที่เจ้ามีได้มีความทะเยอทะยานมากใหญ่ไฟสูงนั้นสิ่งที่ดีที่เลิศก็ไหลหลั่งพรั่งพรูมาสู่เจ้าตลอดเวลาสุราเสนาเอยเบื้องแรกพ่อขอชี้ถึงการที่เจ้าได้ราชสมบัติในนครอโยธยานี้ในลักษณะที่เรียกว่าราชรถมาเกยต่อมาเมื่อจัดการบ้านเมืองดีขึ้น และสามารถเอาชนะศึกสงครามได้พระราชาแห่งกัมพิละก็เกิดความกตันอยู่ในตัวเจ้าส่งช้างเผือกสกุลดีอันเป็นที่นิยมยกย่องมาให้เจ้าแต่โดยเหตุที่ได้อบรมมาดีแล้วในพระพุทธศาสนาเจ้าก็ยังได้แสดงน้ำใจอันสูงส่งช้างเือนไปยังกัมพิละอีกเล่าเมื่อเร็วเวนี้กษัตริย์สองพระนครก็รับเชิญเสด็จมาเยี่ยมอยุธยาพร้อมทั้งได้ตกลง ทำสัมพันธไมตรีต่อกันเป็นประหนึ่งญาติกันสามพระนครชนีก็ น, นับเป็นเกยียรติประวัติอันดีที่ยากจะหาได้บัดนี้มีคนมาเชิญให้เป็นครองนครอื่นอีกทั้งทั้งที่ตำแหน่งผู้เป็นพระราชาธิบดีนั้นเป็นที่ต้องการเป็นที่ประสงค์ของคนทั้งหลายโดยทั่วไปแต่ก็กลับมาสู่คนที่ไม่ทะเยอทยานจะได้เรื่องจึงกลายเป็นว่าคนยาก กลับไม่ค่อยจะได้อะไรแต่คนไม่ค่อยอยากกลับมีอะไรต่ออะไรหลั่งไหลามาสู่มาอยู่เรื่อยๆรื่อยสุรเสนาเอยพ่อใครจะชี้เห็นว่าการที่เราตั้งอยู่ในศีลธรรมตามพระพุทธโอวาทนั้นเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ตนได้รับความสุขอยู่เสมอโดยไม่ต้องไปติดเจ ก, กตากายอะไรมากอานุภาพแห่งศีลธรรมย่อมคุ้มครองผู้มีศีลธรรมอย่างเห็นได้ชัดเจนดังนี้ พ่อจึงไครจะเปรียบความว่าทุกคนในโลกนี้ต่างก็เป็นเหมือนผู้ขุดบ่อหรือแองน้ำโดยวิธีต่างๆกันสุรเสนาเอยคนบางคนก็ดูเหมือนจะตั้งหน้าตั้งตาขุดชีวิตของตนให้เป็นแอง่งให้เป็นที่ไหลมาขังอยู่ แห่งความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสมอทั้งที่ตนเองก็ไม่ต้องการความทุกข์และเกลียดชังความทุกข์นั้นด้วยความเกลียดหรือความไม่ต้องการความทุกข์ไม่อาจจะช่วยอะไรได้ถ้าการกระทําของบุคคลเป็นไปในทางตรงกันข้ามคือเป็นการขุดบ่อให้ความทุกข์มาขังบางครั้งทุกไหลามาไม่ได้ก็อุตสา์เจาะช่องทางให้ไหลามาโดยสะดวกยิ่งขึ้นสุรเสนาเออย ไม่แต่การกระทำทางกายและวายจาเท่านั้นที่เป็นการขุดบ่อแห่งความทุกข์ให้ความทุกข์ไหลมาขังอยู่แม้การกระทำทางใจเช่นการเที่ยวนึกคิดเก็บกวาดเอาเรื่องราวต่างๆซึ่งบางครั้งไม่ผิดอะไรกับขยะบุญฝอยมาสมไว้หมักห ม, มมไว้แล้วคิดพรุงแต่งให้เกิดความกระกรุ่มใจความทุกข์ร้อนใจหรือการยอมตกเป็นทาสของความโลภความโกรธ หรือความลงจนไม่เป็นอันจะเป็นอิสระจากอำนาจฝ่ายตามเหล่านี้ได้บ้างเลยก็เป็นการทำทางหรือเจาะช่องให้ความทุกข์ไหลามาขังอยู่ในจิตใจของตนเช่นเดียวกันดูก่อนสุรเสนะแต่ตรงกันข้ามบุคคลบางคนแม้จะอยู่ในที่แวดล้อมซึ่งน่าจะถูกความทุกข์ความเดือดร้อนครอบงำแต่ก็รู้จักก่อคันดินให้สูงขึ้นวิตน้าออกไป ได้หมดสิน้นแม้จะมีสภาพเหมือนอยู่ในที่ลุ่มก็สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยในที่แวดล้อมด้วยความทุกนั้นด้วยการสร้างขันกั้นไม่ให้ความทุกข์ท่วมทน้นหรือถมดินคือจิตใจของตนให้สูงขึ้นเหนือความทุกข์ด้วยการกระทาทางกายวาจาใจที่ถูกที่ควรดูก่อนสุรเสนะเปรียบอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลธรรม โดยใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลตามหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เท่ากับขุดชีวิตของตนให้เป็นที่ไหลามาแห่งความสุขความเจริญความสุขความทุกข์จึงเป็นเรื่องที่บุคคลอ่านสร้างได้ทําให้มาขังได้ในชีวิตของตนด้วยประการชนีดูก่อนสุรเสนะเรื่องที่เกี่ยวกับกรุงมัทธุลางนั้นถ้าพ่อจะรับไปช่วยจริง ก็ไม่ใช่ไปในฐานะผู้ครองราชแต่จะไปในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าโดยให้เจ้าเป็นผู้ปกครองเองคนทั้งหลายคงจะเห็นเป็นการโง่เขลาที่ยอมสละราชธานีที่รุ่งโรดดีแล้วไปสู่ราชฐานีที่เล็กกว่ามีสภาพเหมือนบ้านป่าแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้สแสวงหาโชคหรือโอกาสที่จะหาความยิ่งใหญ่และความผาสุขสมบูรณ์ด้วยการครองราชก็ไม่เป็นการแปลกอะไร ที่จะยอมสละรัชธานีที่รุ่งเรืองแล้วไปช่วยกันแจ้ทุกข์ให้แก่แว่นแคว้นที่ตกอยู่ในสภาพสุดโทมอย่างหนักทั้งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแต่เดิมมาด้วยดูก่อนสุรเสนะพ่อยินดียิ่งที่ตั้งชื่อเจ้าไว้เพื่อเป็นอนุศรแห่งแว่นแคว้นดั้งเดิมที่พ่อจากมาแต่ในที่สุดก็มีเหตุการณ์ที่จะให้เจ้าได้มีโอกาสแสดงกตัญยูกกะตะเวทิตา ตอบรรพบุรุษของตนด้วยการเป็นสร้างความเจริญให้อีกเมืองหนึ่งดูก่อนสุรเสนะทางที่จะสร้างกรุงมัทุราและแว่นแขวนสุรเสนะให้เจริญขึ้นไม่แพ้อโยธยานั้นมีอยู่เป็นอันมากลำน้ามยบุนาอันยาวขนานไปตลอดแขวนสุรเสนะก็ดีเทือกเขาอันสลับซับซ้อนด้านตะวันตกแห่งราชธานีมัทุราก็ดียังเป็นที่หวังอยู่ว่า ด้วยการปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมมาทุราจะกลายเป็นมหาคนครขึ้นในโอกาสต่อไปและจะกลายเป็นเมืองแหล่งสำคัญแห่งหนึ่งเพื่อประปรานาพระพุทธศาสนาขึ้นในดินแดนตะวันตกของชมพูทวีปดูก่อนสุรเสนะวันเวลายังมีอยู่ที่จะได้คิดการผ่อนปรนจัดการปกครองอยยธยาม่ให้กลับตกลงไปสู่สภาพเดิมอีกรวมทั้งการคิดอ่านเรื่อง จะรับช่วยกรุงมัธุรามากน้อยเพียงไรบางทีเมื่อ น, นำเรื่องเข้าปรึกษาในที่ประชุมมหาอมาตย์อยุธยาแล้วเรื่องอาจจะกลายไปอย่างอื่นอีกก็เป็นได้ข้าแต่พระบิดาลูกเห็นด้วยที่ว่าควรตร่ตรองเรื่องนี้ดูอีกเพื่อทำให้ดีที่สุดที่จะดีได้ โดยถือประโยชน์ของมหาชนแห่งแคว้นทั้งสองเป็นที่ตั้งทางหนึ่งที่ลูกเห็นว่าสำคัญมากก็คือจะต้องหาทางปลูกให้เกิดคนดีมากขึ้นให้ดีทั้งวิชาความรู้ให้ดีทั้งความประพฤติและให้ดีทั้งความสามารถเพื่อจะได้มีคนดีเกิดขึ้นช่วยบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้กว้างขวางอย่าได้เนืก้กันแต่เพียงว่าผู้นั้นผู้นี้เท่านั้นจึงจะทาการได้เช่น ในเรื่องการปกครองอายุทยาและมัธุราไม่ควรจะให้คนคิดกันแต่เพียงว่าต้องมีลูกอยู่ปกครองจึงจะดำเนินไปได้เพราะชีวิตของคนเรานั้นจะยั่งยืนยาวชั่วฟ้าดินสลายย่ำเป็นไปไม่ได้ถ้าได้ฝึกหัดผู้คนและอบรมไว้ให้สืบแทนกันได้เมื่อใครตายไปก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องล่มจมพินาศไปตามผู้นั้นด้วยอยุธยา ควรจะอยู่ต่อไปมัธุราก็ควรจะอยู่ต่อไปและอยู่อย่างดีหรือดีขึ้นด้วยแม้วรรลูกจะไม่ได้เป็นผู้ปกครองถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะคล้อยตามคันลองแห่งพระพุทธวาสที่ประธานแจกพิสุ์ทั้งหลายเสมอว่าวันหนึ่งตถาคตจะต้องปรินิพพานไปเธอทั้งหลายจะต้องพึ่งตัวเองและช่วยตัวเองจะต้องพึ่งธรรมะคือความถูกความตรง าแต่พระบิดากล่าวถึงพระสถาคตเจ้าแล้วลูกก็อดสะท้อนถอนใจไม่ได้ที่มีข่าวว่าบัดนี้พระองค์ได้เสด็จจากสาวัตถีไปนานแล้วเป็นการเสด็จไปโดยไม่กลับมาอีกมีข่าวมาในวันวานนี้เองว่าเมื่อวันเพ็ญเดือนมาคะทรงประกาศกำหนดปริณิพน์นของพระองค์แล้วณนะปาวานเจดีใกล้กรุงภัยาลีว่าอีกสามเดือนพระองค์ จะเสด็จดับคันธะปะรินิพานข้าแต่พระบิดาข่าวนี้ทำให้ลูกงุนงงไม่มีใจใจจะทำอะไรลงไปได้เพราะทั้งทงที่ทราบดีถึงพระพุทธโอวาทที่เตือนให้สํานึกในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งหลายแต่การที่สมเด็จพระบรมศาศสดาจะป ร, ะรินิพานนี้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งของโลกและแม้ของลูกเองลูกได้สั่งผู้ที่คอยส่งข่าว ให้รีบบอกข่าวการเสด็จของพระบรมศาสดามาโดยเร็วที่สุดให้ทราบความเป็นไปทุกระยะซึ่งคงจะได้รับข่าวอยู่เรื่อยๆเมื่อได้ทราบอย่างไรลูกจะรีบปราบทูลให้ทรงทราบโดยเร็ว